วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ส6หกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เป็นวันพระวันธรรมสวนสะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้ชาวพุทธได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกหนึ่งวันตั้งแต่เช้าของวันนี้ไปจนกรงทั่งถึงเช้าวันพรุ่งนี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนให้อุทิศเวลาส่วนนี้มาให้กับการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการทำ ภารกิจทางศาสนาภารกิจทางศาสนาที่จะต้องทำเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือกิจในกิจในพระอริยสัจสี่ผู้ใดที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์จําเป็นที่จะต้องทำกิจในอริยสัจสี่ให้สมบูรณ์อริยาาสัจสี่คืออะไรก็คือหนึ่ง คือทุกคือทุกความทุกข์ใจสองสมุทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์ใจสนิโรธการดับของความทุกข์ใจและ4มรรคเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ใจนี่คืออริยสัจส์่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุด้วยพระองค์เอง ด้วยการทํากิจในอริยสัจสี่ให้ครบสมบูรณ์กิจในอริยสัจสี่ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันก็คือหนึ่งกิจในกิจในกิจในในทุกกิจในทุกขคือทํำยังไงถึงเรียกว่าเป็นกิจในทุกขก็ต้องทําความเข้าใจสอนใจให้รู้ว่าความทุกนี้มาจากการมาเกิด พอเมื่อมเกิดแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมานี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องสอนใจว่าความทุกข์นั้นมาจากการมาเกิดเราจะได้ไม่ไปแก้ปัญหาผิดจุดทุกวันนี้เราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นต้นเหตุคือการมาเกิด เราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันล้วนเป็นปัญหาที่ปลายเหตุที่เกิดมาจากการมาเกิดทั้งนั้นแก้เท่าไหร่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบถ้าเราไม่ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการมาเกิดเพราะถ้าเราไม่มาเกิดแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่มีอีกต่อไป ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดสิ้นไปแต่ถ้าตราบใดเรายังมาเกิดกันอยู่เราก็จะมีความทุกข์มีปัญหาต่างๆให้เราจะต้องคอยแก้อยู่ตลอดเวลา<ม>นี่คือกิจในอริยสัจส์4ข้อที่หนึ่งคือทุกขสัจ<ม>คือให้รู้ว่าความทุกข์นั้นมาจา ก, าจากที่มาจากที่ไหนกัน ม, มาจากการมาเกิดกัน ขอยเตือนใจสอนใจหรือเรื่อยว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกาันเป็นธรรมดาาเป็นความทุกข์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้ามีการเกิดถ้าไม่อยากจะให้ความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ต้องหยุดการเกิดเท่านั้นเอง อนี่คือกิจข้อที่หนึ่ง้อยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมว่าล้วปัญหาที่เกิดมาจากการมาเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่มีวันหมดถ้าเราไปแก้ที่ความแก่แก้ที่ความเจ็บแก้ที่ความตาย<ม>เราต้องไปแก้ที่การไม่มาเกิด<ม>เพราะเมื่อไม่ไม่มาเกิดแล้ว ก็จะไม่มีความแก่ตามมาไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาไม่มีความตายตามมาไม่มีการพัดพลากจากกันตามมาอันนี้คือทุกข้อที่หนึ่งกิจข้อที่หนึ่งก็คือกิจในกินในเรื่องของความทุกข์คือเราต้องสอนใจต้องเรียนรู้ว่าทุกนี้มีต้นเหตุอยู่ที่การมาเกิด ถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาต้องไปแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่การมาเกิดวิธีที่จะแก้การมาเกิดก็ต้องไปทำกิจข้อที่สองกิจในสมุทยัย <liking S 1> ท่านว่ากิจข้อที่หนึ่งต้องเรียนรู้ทุกต้องเรียนรู้กิจข้อที่สองสมุทัยต้องละคำว่ in าละละสมุ ท, <c oughs> มทัทยก็คือละต้นเหตุของการมาเกิดนั่นเอง สมุทัยเป็นต้นเหตุของการมาเกิดต้นเหตุของการมาเกิดนี้ก็มีอยู่สามข้อด้วยกันก็คือ 1. กามตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะหา 1. กามตัณหาสองภาวะตัณหาสามวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าชนิดต่างๆ เมื have have heading, have have ่อมีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายการที่จะมีร่างกายได้ก็ต้องมีการเกิดของร่างกายนั่นเองนี่คือเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพพ์เมื่อมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณเราก็จะต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเครื่องมือ ในการหารูปเสียงกลิ่นลดมาเสพแล้วเมื่อมาเกิดแล้วเราก็มีนอกจากมีการมาตัณหาแล้วเราก็มีภาวะตัณหาตามมาด้วยคือเมื่อมาเกิดแล้วก็อยากจะอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆมีชีวิตไปนานๆอยากให้มีความสุขความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญสุขก็ดีล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่มีเจริญสลับกับการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้ามาเสยมามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเจอกับความทุกข์เวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เสื่อมไปหมดไปหรือเปลี่ยนไป นี่คือสมุทัยข้อที่สองตัณหาภาวะตัณหาสมุทัยข้อที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบนี้ไม่เสื่อมไม่พัดภาคจากเราไปเช่นร่างกายก็อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายลาภยศชนะเสริญสุขก็อยากไม่ให้มันเสื่อมไม่อยากให้มัน จากเราไปนั่นเองนี่คือสาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดและมาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเราอยากที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องหยุดเหตุที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เหตุที่ทาให้เราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เหตุที่ทำให้เราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องตัดออกไปจากใจให้ได้นี่คือภารกิจข้อที่สองในอริยสัจ4สมุทัยต้องละข้อที่หนึ่งทุกต้องเรียนรู้ว่าทุกคืออะไรทุกคือการเกิดแล้วก็มาที่ข้อที่สองถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่มาจากการเกิดเราก็ต้องมาดับที่ ต้นเหตุของการการเกิดต้นเหตุของการเกิดก็คือสมุทยัยคือตันหาทั้งสามในแก่กรารมตันหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, ะะนหาแล้วก็มาสู่ภารกิจข้อที่สามนิโรดนิโรดก็คือการดับของความทุกข์เป้าหมายของการทำกิจข้อที่สามนี้ก็คือเราต้องการทำนิโรดให้แจ้ง กิจในข้อที่สก็คือทํานิโรธให้แจ้งทําให้ความดับทุกข์ความสิ้นทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจคือทําให้ทุกข์ที่มีอยู่ในใจหายไปหมดในวันนิโรธนี่คือกิจข้อที่สเป้าหมายของการปฏิบัติของเรา ใ, ในการกําจัดความทุกข์ก็คือเราต้องกําจัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจให้หมดสิ้นไปก็คือนิโรธคือการไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจ นิโรธต้องทำให้แจ้งแล้วก็มาภารกิจข้อที่สของอริยสัจสี่ก็คือมรคมรคนี้ต้องต้องเจริญให้สมบูรณ์คือสร้างมรคขึ้นมาเพราะมรคนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการละตันหาความอยากลาสมุทยัยการจะลาสมุทัยได้เราต้องมีมรคเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีมรคเป็นเครื่องมือ เราจะไม่สามารถละสมุทัยได้ถ้าไม่สามารถละสมุทัยได้ก็ไม่สามารถทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาไม่สามารถทำให้ทุกข์ดับไปได้ดังนั้นภารกิจข้อที่สีของอริยสัจสี่ก็คือเราต้องมาสร้างมรรคกันสร้างมรรคเจริญมรรคให้สมบูรณ์มรรคเป็นเครื่องมือถ้าเรามีมรรค สมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถใช้เครื่องมือนี้มาละตัญหาความอยากต่างๆได้พอเราละตัญหาความอยากต่างๆได้ทุกที่มีในใจเราก็จะหมดไปนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมามนี่คือสิ่งที่เป็นกิจสี่ข้อที่เราต้องทำกันข้อที่สำคัญที่สุดในการทำกิจในอริยสัจสี คือตั้งเราต้องเจริญมรรคกันเพราะสิ่งเพราะตอนนี้เราไม่มีมรรคกันเราไม่มีเครื่องมือกันหรือมีก็มีแบบไม่สมบูรณ์ไม่ครบบริบูรณ์มรรคคืออะไรมรรคก็คือการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทานี่เองทางสายกลางที่พระเจ้าทรงสอนถ้าสอนให้กับพระภิกษุท่านก็สอนให้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้จะเป็นเครื่องมือ สำหรับพระที่มาบวชถ้าอยากที่จะละตัณหาถ้าอยากจะทํานิโรธให้แจ้งจําเป็นที่จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้ครบบริบูรณ์ทั้งสามส่วนเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบสามส่วนแล้วก็จะสามารถละตัณหาความอยากทั้งสามได้คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ ลกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาการหมดทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาสำหรับถ้าเวลาที่พระองค์ทรงสอนพวกคารวะผู้ครองเรือนพระองค์ก็ทรงสอนให้ให้เจริญมรรคในรูปแบบของทานศีลภาวนาซึ่งก็ไม่ต่างจากมรรคของพระภิกษุต่างกันตรงที่มีทานมาเพิ่มอีกหนึ่งข้อ ศีลก็เหมือนกันศีลาจจะน้อยกว่าศีลของพระภิกษุแต่ก็เป็นศีลเหมือนกันแล้วภาวนาอนี้ก็คือการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานั่นเองทําไมที่จะต้องสอนให้ทําบุญทําทานด้วยก็เพราะว่าคารวะยังติดอยู่ในเงินทองอยู่ยังติดกับการใช้เงินทองมาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์แต่ในทางที่จะเป็นเครื่องมือดับความทุกข์มังกลับกลายเป็นเครื่องมือมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าเงินทองนี้ไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ทางใจได้เงินทองกลับจะมาเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆและเป็นการดับทุกข์ที่ไม่ถูกทางเช่นการดับทุกข์ด้วยการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพานนี่องอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์เพราะไม่ได้ไปล่าสมุทยัย ทนที่จะละสมุทัยกลับไปส่งเสริมสมุทัยให้มีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ย, ยิ่งเสพยิ่งก็ยิ่งจะทําให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเฉะนั้นถ้าเป็นคารวะถ้ามีเงินมีทองอยากจะใช้เงินทองให้เกิดความสุขท่านบอกว่าให้เอาไปทําบุญทําทานแทนการทําบุญทําทานนี้จะทําให้เกิดความสุขใจและเป็นการละสมุทยัย คือความอยากใช้เงินทองไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผฐดถ พ, พาชนิดต่างๆนั่นเองก็จะช่วยละกา ม, มาตัญหาได้ในระดับหนึ่งสำหรับผู้ครองเรือนจาเป็นที่จะต้องทำบุญทำทานทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปซื้อความสุขในรูปจากรูปเสียงกลิ่นรสผฐดถพ้พาเช่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือย อของที่ไม่จําเป็นของหรูหราของมียี่ห้อของมีแบรนด์ของที่มีราคาแพงๆคิดว่าซื้อสิ่งเหล่านี้มาแล้วจะดับความทุกข์ใจได้มันก็ดับได้เป็นพักๆไปเวลาได้ซื้อของเหล่านี้มาก็เกิดความสุขใจไปชั่วระยะหนึ่งแล้เดี๋ยวไม่นานความทุกข์ก็กลับมาอีกเมื่อมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่เราเราอยู่การใช้เงินทองนี้ไม่สามารถมาดับความทุก ที่เกิดจากความแก่ได้เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เกิดจากความตายได้มีวิธีเดียวที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงได้ก็คือเอาเงินนี้ไปทำบุญทาทานแทนเงินที่เราจะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกินรสเอาไปทำบุญทาทานเอาไปบริจาคให้กับใครก็ได้ถ้าเรามีศรัทธาใครเราก็บริจาค ก, กับผู้นั้นก็ได้ มีศรัทธากับพ่อกับแม่ก็เอาไปให้พ่อแม่ก็ได้มีศรัทธากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เอาไปเบิจากให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้มีศรัทธากับโรงพยาบาลมีศรัทธากับโรงเรียนก็เอาไปเบิจากได้เวลาเราได้เบิกจากเงินแล้วจะทําให้เกิดมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขใจอิ่มใจที่จะลดความทุกข์ใจที่เกิดจากการ ที่จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายได้สิ่งที่จะต้านความทุกข์ที่เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็คือความสงบของใจส่วนหนึ่งที่เราจะได้เราจะได้ความสงบของใจก็คือจากการทำบุญทำทานนี่เวลาเราทำบุญทำทานเราได้ช่วยเหลือผู้นีนทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้นีนมันจะทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจ แล้วความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายนี้มันจะเบาบางลงแต่มันยังไม่หมดมันจะหมดได้ก็ต้องอา ศ, าศาัยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขั้นต่อไปทาทานแล้วก็ต้องไปรักษาศีลเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไปก่อนแล้วพอมาวันพระก็มารักษาศีลแปดแล้วก็มาฝึกการภาวนาวการภาวนานี้ก็ต้องมีเวลาพอสมควร จึงต้องมีเวลาอย่างน้อยก็หนึ่งวันหนึ่งคืนให้กับการมาภาวนากันเช่นวันพระนี้ควรจะหยุดทำงานถ้าวันพระไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเราก็เปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานแทนก็ได้เพราะคำว่าวันพระก็คือการวันหยุดทำงานนี่เองสมัยนี้วันหยุดทำงานของเรากับวันหยุดกับวันพระไม่ตรงกัน ถ้าเรารอให้มีวันพระแต่ละครั้งมันก็อาจจะต้องหลายอาทิตย์ด้วยกันกว่าที่จะมีวันพระที่จะมาตรงกับวันหยุดทำงานของเราคือวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเพื่อไม่ให้เราขาดทุนเวลาของวันพระลงไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดทำงานเอาวันหยุดทำงานของเราวันใดวันหนึ่งเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มาเป็นวันพระขึ้นมาแล้วก็เอาเวลาของวันพระนี้มา มาวัดกันมาอยู่ปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสตินั่งสมาธิบำเพ็ญจิตตภาวนาส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลำดับรักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ทำบุญทำทานตามตามกำลังอันนี้เป็นวิธีสร้างมรรคขึ้นมาเป็นวิธีทากิจในอริยสัจอริยสัจสี่ข้อที่สี่ คือมักจะต้องเจริญให้มากจเจริญให้สมบูรณ์เพราะว่าถ้ามักยังไม่สมบูรณ์เครื่องมือยังไม่ครบการที่จะละตัณหาความอยากทั้งสามนี้ก็ยังเป็นไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือให้สมบูรณ์ก็ต้องไล่จากขั้นต่ำขึ้นไปนั่นจากขั้นทานขึ้นไปขึ้นถึงขั้นศีลศีลก็จากศีลห้าก็ต้องไปสู่ศีลแปด เมื่อมีศิ้นแปลแล้วก็จะได้มีเวลาให้กับการมาจเจริญสตินั่งสมาธิบาเพ็ญส ม, มถะภาวนาทำใจให้สงบให้นิ่งพอเรามีสติมีสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้เราก็จะหยุดตัณหาความอยากได้ชั่วคราวสติสมาธินี้จะหยุดความอยากคือสมุทยัยละสมุทัยได้แต่เป็นแบบชั่วคราว เพราะว่าเวลาที่ออกจากสมาธิมาตัณหานี้ไม่ได้ตายพอออกจากสมาธิมาตัณหาที่ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ก็จะออกมาทำงานต่อได้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้นะแต่เบื้องต้นเราต้องอาศัยการหยุดความอยากละตัณหาด้วยการใช้สมาธิละแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าใจเรายังไม่มีกำลังที่จะไปใช้ปัญญา เพื่อที่จะไปลาบความอยากให้บวดไปอย่างทาวอได้ต้องอาศัยกำลังของสมาธิมาสนับสนุนก่อนลนเบื้องต้นเราต้องเจริญสติเพราะสตินี้เป็นตัวเป็นเหตุที่จะทำให้ใจเราเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้พอใจเรามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจเราก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้สักแต่ว่ารู้ได้ หยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่อยู่ในสมาธิเป็นความสุขที่จะทำให้เรามีพลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่อไปเวลาที่เราออกจากสมาธิไปพอออกจากสมาธิไปความอยากที่ถูกกำลังของสติของสมาธิกดเอาไว้ก็จะเริ่มออกมาทำงานพอเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมา พอเราคิดถึงลาบยศสรรเส ร, ริญเราก็จะมีเกิดความอยากที่จะได้ลาบยศสรรเสรสสิญโศกันขึ้นมาอมพอเกิดความอยากแล้วขั้นต่อไปก็คือหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วแล้วออกจากสมาธิมาเราก็ต้องทำขั้นที่สองของการภาวนาก็คือวิปัสนาภาวนาคือการใช้ปัญญามาดับมารับความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่ตันหาความอยากต้องการก็คือไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดภาชนิด ต, ต่างๆเขารุวนเป็นอนนี้จังเลยเขารวนจะทำให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะเขาจะไม่เที่ยงแท้แน่นอนตอนต้นที่เราได้เขามาเขาอาจจะให้ความสุขกับเราแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็อาจจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปจากการให้ความสุขมาให้ความไม่สุขไม่ทุกข์กับเราหรือเปลี่ยนมาเป็นให้ความทุกข์กับเราก็ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเป็นอนิจจังเขาเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนถาวรเขามีเปลี่ยนมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับเวลาเขาขึ้นเขาก็ให้ความสุขกับเราเวลาเขาลงเขาก็จะให้ความทุกข์กับเรา ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นการ ม, มาตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆอยากให้รากยศสารเสริญสุขอยู่กับเราเป็น น, นานๆไม่ไม่เสื่อมไม่หมดหรือ ว, วิภาวะตัณหาอยากให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ให้รากยศสารเสริญสุขมันเสื่อมจากเราไป ความอย่างเหล่านี้แล้วพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้มันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราไม่ได้ตามที่ใจเราอยากเวลาที่เราจะต้องเจอกับความตายนี้ใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราจะต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราออจะต้องทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็เห็นว่าการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสการไปเสพลาบยศสารเสริญสุขนี้จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ให้เราไปสู่ความสุขที่ยังย่งยืนถาวรความสุขที่ยังย่งยืนถาวร น, นี้อยู่ที่การหยุดความอยากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็พร้อมที่จะหยุดความอยากได้เพราะเราได้ความรู้ใหม่เมื่อก่อนเราไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราแต่เราหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ ด, ด้วยปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุกเพราะว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขามาแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เขาจากเราไป น, า น, นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วทีนี้ก็จะไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยนะ เช่นถ้าเราไปเห็นเห็นงูตอนต้นเราคิดว่าเป็นปลาไหลเราก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะเราก็อยากจะไปจับมันมาแต่พอพอมีคนรู้เข้าบอกว่าอย่าไปจับงูตัวนี้นะมันเป็นงูงูเห่าไปจับแล้วมันจะกัดเราตายได้พอรู้ว่ามันเป็นงูเห่านั้นเราก็จะไม่กล้าไปจับมันอีกต่อไปไม่อยากจะอยู่ใกล้มันเสียด้ซ้ําไปแต่ถ้าเรายังไปเห็นว่าเป็นปลาไหลอยู่เราก็ยังจะอยากจะไปจับมันมากินอยู่นั่นเอง อันใดถ้าเรายังเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขอยู่เป็นสุขขังนิจจังอนัตตาอัตตาเป็นสุขเป็นของเราเป็นของที่จะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนถาวรอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นเห็นที่เรเป็นความเห็นที่เราต้องแก้ด้วยปัญญาปัญญาก็คือเราต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่กล้าไปแตะอีกต่อไป ไม่กล้าไปยุ่งกับเขาไม่กล้ามีความอยากในสิ่งต่างต่างต่อไปความอยากที่เคยพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไปการมาตัณหาก็หมดไปภาวะตัณหาก็จะหมดไปวิภาวะตัณหาในใจก็หมดไปหมดไปด้วยปัญญาสนับสนุนด้วยด้วยกำลังของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความอยากมันมีกาลังแรงกว่าแรงกว่าแรงกว่า สมาธิแรงกวอุเบกขาไม่สามารถหยุดมันได้จะหยุดมันได้จิตต้องมีสมาธิก่อนมีอุเบกขาก่อนตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่มีปัญญากันเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังของนัตตากันแต่เราไม่มีกําลังหยุดความอยากเพราะเราไม่มีกําลังของสมาธิมาคอยหยุดนั่นเองเรามีปัญญาแต่เราไม่มีสมาธิปัญญาของเรายังไม่ได้เป็นภาวนามยะปัญญา ปัญญาที่มีภาวนาคือสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาของเรายังเป็นสุตตะมายาปัญญากับจินตามายาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเหมือนตอนนี้หรือปัญญาที่เกิดจากการมาไข้ควรพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเรามีปัญญากันแต่เราไม่มีภาวนาเราไม่มีกำลังของสมาธิมาหยุดความอยากกันนั่นเองดังนั้นเราจึงยังหยุดความอยากไม่ได้ เวลาเราเจอกับความเจ็บไายได้ป่วยใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาเราจะต้องเจอกับความตายหรือแม้แต่คิดถึงความตายใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วลเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดความอยากได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีสมาธิเป็นเครื่องมื อ, อนันเราต้องปฏิบัติศีลแล้วก็ปฏิบัติสมาธิแล้วค่อยไปที่ปัญญาปัญญาก็เรียนไปได้ก่อนแต่เป็นปัญญาระดับต้นๆคือปัญญาระดับได้ยินได้ฟังระดับ ระดับใครควรพิจารณาแต่ยังไม่เป็นระดับปฏิบัติการจะเป็นปัญญาระดับปฏิบัติการได้จะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน mm hmm. นะพอเรามีสมาธิแล้วพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดจากความอยากแล้วอยากไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็บรรยยหยุดพอ mm hmm. อยาไปเพราะการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไปไปเสพความทุกข์ไม่ใช่ไปเสพความสุขพอ mm hmm. เห็นว่าจะต้องเจอกับความทุกข์ต่อมาก็ไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่า หยุดความอยากดีกว่าพอเราหยุดความอยากได้ใจที่เคยวุ่นวายเพราะความอยากก็จะสงบตัวลงทันทีเหมือนกับเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ mm hmm. การทำใจให้สงบนี่มีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือใช้สติกล่อมใจให้สงบให้เข้าสมาธิไปพอใจสงบความอยากก็ไม่ทำงานพอความอยากไม่ทำงานความสุขใจก็ปรากฏขึ้นมา mm hmm. วิธีที่สองทความสงบใจด้วยการไม่ต้องเข้าสมาธิ ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้ลาความอยากที่เกิดขึ้นเวลาเกิดความอยากอะไรอยากได้อะไรแล้วสอนใจให้หยุดความอยากนั้นได้พอหยุดความอยากนั้นได้ใจก็จะสงบเหมือนกับเข้าสมาธิได้ความสุขเหมือนกับเข้าสมาธิเลยแต่ดีกว่าตรงที่มันเป็นความสงบแบบถาวรยั่งยืนถาวรแต่ความสงบของสมาธินี้เป็นความสงบแบบชั่วคราว เข้าไปเวลาเข้าไปก็สงบมีความสุขพอออกจากสมาธิมาพอเกิดตัญหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็หายไปความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาถ้าใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิพอครั้งใดที่ครั้งใดที่เราได้สามารถละความอยากแต่ละตัวนี้ความสงบก็จะเกิดขึ้นมาทันทีจะจะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องเข้าสมาธิ และจะเป็นความสงบสุขที่ยั่งยืนถาวรเพราะถ้าความอยากตัวไหนที่เราละได้แล้วมันจะไม่กลับมายุ่งกับเราอีกต่อไปเราก็จะละตัณหาไปเรื่อยๆด้วยปัญญาตันนที่สุดตัณหาต่างๆมันก็จะหมดไปจากใจของเราพอหมดไปจากใจของเราแล้วใจของเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นิโรธที่เป็นขั้นต่างๆก็เป็นนิโรธที่สมบูรณ์เมื่อความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปอย่างถาวรอย่างหมดสิ้น เราก็เรียกว่านิพานท่านเองจิตที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปความทุกข์จะดับได้ต้องเกิดจากการมาเจริญมรรคทำนองาำภา ร, รกิจข้อที่4ของอริยสัจสี่คือมรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์เจริญศีลสมาธิปัญญาหรือเจริญทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์เมื่อเรามีเครื่องมือที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเราก็สามารถเอาไปละละสมุทัยได้ เมื่อล่าสมุทรทายได้เราก็จะทำนิโรธให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมานี่คือวิธีการของการทำปิดในอริยสัจสี่สี่ข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงนำเอามาสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันถ้าเราสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ข้อนี้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนคือเราต้องทาภารกิจข้อที่หนึ่งคือทุก ทุกต้องเรียนรู้ต้องสอนใจให้รู้ว่าทุกอยู่ที่ไหนทุกเกิดจากอะไรทุกมาจากที่ไหนทุกมาจากการเกิดสองต้นเหตุของความทุกข์ที่พาให้มาเกิดคืออะไรก็คือตัณหาความอยากสมุทยัยต้น alition. สมุทัยคือต้อนต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของ ค, า pareil, ความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากสามข้อตามาตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาที่เราต้องละให้ได้ละตัณหาให้ได้ แล้วก็พอเราละตัณหาได้มันก็จะทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาเราก็จะทำนิโรธให้แจ้งได้และการที่เราจะทำนิโรธให้แจ้งละตัณหาได้เราก็ต้องมีมรรคถ้าเรายังมี ม, มรรคที่ไม่สมบูรณ์เราก็ยังจะไม่สามารถที่จะละตัณหาได้ไม่สามารถทำนิโรธให้แจ้งได้ไม่สามารถเตือนใจให้รู้ว่า่าความทุกข์นี้เกิดจากค้างเกิดได้ อันนี้คือกิจต่างๆทั้งสี่ข้อที่เราจะต้องคอยทํากันให้ครบบริบูรณ์เมื่อเราทําได้ครบบริบูรณ์แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อ ย, อย่างยั่งยืนถาวรต่อไปการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็เวลาก็หมดพอดีก็จะขอดําเนินขั้นต่อไปก็คือการมาปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปนี้เราก็จะมาสร้างมรรคกันมรรคที่เราจะมาสร้างกันก็คือสมาธิ ศีลเราก็รักษากันแล้วทานเราก็ได้ทำกันแล้วสิ่งที่เราขาดปัญญาเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่ค่อยมีกันก็คือสมาธินี่สมาธินี้ต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมากถึงจะสามารถเข้าถึงสมาธิได้ดังนั้นเราจรึงต้องมาคอยนั่งสมาธิกันฝึกสมาธิกันอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทาให้ใจสงบเป็นสมาธินี้ต้องมีสติเป็นเป็นเหตุที่สาคัญ ถ้าไม่มีสติแล้วใจจะเข้าสมาธิไม่ได้สติก็คือการ เ, ราเลือกรู้เราต้องมีสติลเลือกรู้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะผูกใจที่จะก่อมใจให้เข้าสู่ความสงบ ก, กรรมฐานก็มีหลากหลายอารมณ์ด้วยกันหลายชนิดด้วยกันแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเริ่มต้นนี้เราจะนิยมใช้กรรมฐานอยู่สองสามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปานาสติ ให้มีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูกหรือการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไว้คอยคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าตอนเริ่มต้นนั่งสมาธิถ้ายังไม่สามารถดูลมได้ยังไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้เพราะใจฟุ้งซ่านใจคิดมากก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนแทนการสวดมนต์ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่าง สวดไปภายในใจนั่งหลับตาในท่าสมาธินี่แหละแล้วก็สวดไปภายในใจสวดบทไหนก็ได้ที่เราจําได้สวดไปเรื่อยๆจนกล่าวใจจะเริ่มหายฟุ้งซ่านใจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเราก็ค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นการดูลมหายใจหรือการบริกรรมพุทโธต่อไปเมื่อเราเปลี่ยนมาแล้วเราก็ยึดกับอารมณ์นั้นไปจังกว่าจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทโธ ถ้าเราดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าทิ้งการดูลมเวลามีอะไรมาปรากฏในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจจะมีเสียงเข้ามาจะมีรูปเข้ามามีภาพเข้ามามีอารมณ์ต่างๆเข้ามาบางทีก็อาจจะมีอารมณ์สงบจิตเริ่มสงบก็อาจจะเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่เราต้องการก็คือความว่างความนิ่งของใจ ที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราก็ต้องดูดูลมไปเรื่อยๆแล้วอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมเด่งเข้าสู่ความสงบเราจะรู้เองไม่ต้องถามเวลาจิตสงบนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ม า, า, าย์ใจอย่างยิ่งมันจะเข้าสู่ภาวะของความว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในใจต่อไปความทุกข์ความยากยากเข็นความวุ่นวายใจความอะไรต่างๆนี้จะหายหไปหมด ใหญ่จะเบาจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมากเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรใช้สติประคับประคองคอยคอยกั้นไม่ให้ใช้ความคิดเวลาถ้ายังจะคิดก็หยุดคิดได้ด้วยสติให้จิตนิ่งสงบไปเท่านานเท่ากว่าที่จิตจะถอนออกมาเองแล้วเราค่อยออกมาจากสมาธินี่คือวิธีการนั่งสมาธิเราต้องการความสงบความนิ่งความว่างเราไม่ต้องการเห็นอะไรรู้อะไร อันนั้นเป็นคนละขั้นกันขั้นนั้นเป็นขั้นวิปัสสนาที่จะตามมาต่อไปแต่ขั้นต้นนี้เราต้องสร้างสติเราต้องการสร้างความสงบสร้างสมาธิสร้างความสุขให้กับใจสร้างพลังให้กับใจแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณสัก23นาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสนบการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วเอาไปใช้ต่อในคราวหน้าได้เลยจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะว่าความอยากให้มันสงบจะไม่ทำให้จิตสงบจาต้องวิธีนั่งที่ทำให้สงบถ้าจาได้ก็เอาไปใช้ต่อได้ ถ้าวนนี้นั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยต้องพยายามเจริญสติสร้างสติขึ้นมาให้มากก่อนที่จะมานั่งการเจริญสติเราสามารถทําได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปในใจไปเรื่อยๆจะหยุดพุทโธก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิดถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปหรือถ้าไม่มีความคิดเราก็หยุดพุทโธได้พอมีความคิดขึ้นมาใหม่เราก็พุทโธใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันแล้วเวลามานั่งสมาธิจะมีสมามีสติมากกะนั่งเราจะสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พล <S <S <S ยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหงังคิดเปเมวะสมิชตุ สัพเพบริ่นตุสังคปะยันโทปนะระโสยถาเมริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายุสุขิติขายุโกภะอาภีวัตนาสีลิศนิจังุทาปจายโน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 เพราะว่าถ้ามาถามตอนอื่นจะไม่สะดวกที่จะตอบต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับท่านอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ o กพระอาจารย์สุชาติ248ท่านทางยู u ูบพระอาจารย์สุชาติ261ท่านทางยู u ูบดรวี48ท่าน ทางวิทยุออนไลน์7ท่านทางขับเฮ์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ85ท่านรวมทั้งหมด654ท่านครับกรลบนวัสการผ้จาจ้านเจ้าค่ะมีคําถามจากทาง Facebook ค, คุณชมพู่ถามเข้ามาว่ากราบนวัสการเจ้าค่ะนั่งภาวนาแบบพองยุต ท้องพองยุบสภาวะธรรมตอนนั่งเห็นกายกับจิตคนละอันกันจิตละเอียดเบาเหมือนลอยอยู่บนเมฆรู้สึกลืมลมหายใจลมหายใจหายจิตตื่นรู้มีอาการชาที่ใบหน้าบว บ, บที่กลางหน้าผากเมื่อจิตหลงรู้ตัวจิตจะหลับดับวูบรู้ตัวสักพักจิตตื่นขึ้นมามีอาการตัวเบาๆ เมื่อเวทนาก็รู้จนเวทนาหายไปไม่มีอาการปวดขาหรือชารู้สึกเหมือนเพิ่งนั่งปฏิบัติไปไม่นานจึงอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราคิดไปเองหรือเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงคะขอคำชี้แนะและแนวทางปฏิบัติค่ะไม่ต้องไปนสนใจหรอกมันเป็นอะไรขอให้ร่วมเป็นของไม่เที่ยงก็แล้วกันเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไป อนตัตตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปเรามีหน้าที่รู้ก็รู้เฉยๆไปเจ้าค่ะคำถามต่อไปเคยฝึกนั่งท่ามในป่าคนเดียวตั้งแต่หกโมงยินถึงหกโมงเชา้าใช้พองหน่ ย, ยุบหนอกำหนดความรู้สึกไปตามคำบริกรรมพองหนอ ย, ยุบหนอนั่งหนอถูกหนอถูกก้นซ้ายถูกก้นขวาตาตุ่มซ้ายตาตุ่มขวาบนอย่างนี้ เพื่อไม่ให้จิตมันฟุ้งและไหลไปคิดเรื่องอื่นเวทนาไม่เกิดแต่พอหลุดออกจากคำหรืกรรมเหล่านี้มันเกิดเวทนาเจ็บปวดไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวสัตว์ร้ายเข้ามาหาแต่นั่งอยู่ในโกรธระหว่างที่เกิดความเจ็บปวดพยายามคิดว่าสังขารนี้มันทุกข์เราเกิดมาหาความทุกข์พอเราพามันมาปฏิบัติสมาธิมันไม่ร่วมมือกับเราเลยอยากสวยอยากกินของอร่อยหามาให้มัน สนองให้มันการคิดแบบนี้คือความฟุง้งซ่านหรือการเจริญปัญญาคะแต่ระหว่างที่คิดมันลืมความเจ็บปวดทั้งหมดคะ่ะถ้ามันสงบก็เป็นปัญญาถ้ามันไม่สงบก็เป็นความฟุง้งซ่านที่เล่คำถามต่อไปคะ่ะลูกอยากสอบถามพระอาจารย์ลูกมีแม่ที่อายุเจ็สิปีแต่ท่านแข็งแรงดีช่วยเหลือตัวเองได้ปกติแต่ถูกแต่ลูกกับแม่อยู่บ้านกันคนละหลัง ลูกจะแวะเวียนซื้อของไปฝากท่านตลอดเข้าไปดูแลท่านเวลาไม่สบายอุปนิสัยของลูกชอบปิดตัวอยู่คนเดียวฟังธรรมะปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอีกหลังเพราะเวลาลูกไปใช้ชีวิตที่อยู่กับท่านประจำท่านจะมีเรื่องราวทางโลกและเรื่องขุนวัวมากระทบจิตใจลูกตลอดการกระทําแบบนี้เถือว่าอากตัยูใหม่เจ้าคะขอคาชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าคะ ถ้าไม่ทอดทิ้งกันคอยดูแลกันอยู่เวลาที่เกิดความจําเป็นก็ไม่ทอดก็ถือว่าไม่กระตันอยู่ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปแต่ถ้าเวลาเกิดความจําเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่ก็ต้องเข้ามาต้องมาเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดก็เข้ามาถ้ายังไม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลกันอย่างห่างๆได้ก็ดูแลกันห่างๆไปก่อนก็ได้เชิญค่ะจาก youtube เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะ มีสองคำถามคำถามที่หนึ่งเวลาเดินจงกรมภาวนาว่าแม่ชีเดินหมาตัวเมียหรือแม่ชีวิ่งหมาตัวเมียได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกเอาพุโทโธดีกว่ า, าพุ<ข>พโทโธทำโมสังโคดีกว่าเจ้าค่ะข้อที่สองพระอราหันต์ยังเบื่อไหมคะตองไปถามท่านดู <c oughs> จากทางดรวีเจ้าค่ะ ถ้าแมวเราโดนหมากัดแล้วนำไปรักษาที่โรงพยาบาลเบื้องต้นแต่เราไม่มีเงินรักษาต่อเราปล่อยให้เขาตายเราจะบาปไหมครับไม่บาปเรเรามดกำลังช่วยเหลือเขาก็ต้องปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาเจ้าค่จาะจากย t u b e พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์คะถ้าหมดกำลังใจจะทำความดีมากๆจะทำอย่างไรรู้สึกว่าพยายามทาดีก็เหนื่อยใจ ก็เลยวางจิตไม่ทำอะไรแต่ก็ไม่ได้ภาวนาอะไรแต่แค่ดูว่าใจเราคิดอย่างไรแบบนี้ไม่ถูกใช่ไหมเจ้าคะคือบางครั้งก็อาจจะไม่มีกาลังใจก็พักก่อนก็ได้พักสักระยะหนึ่งแล้วพอมีกำลังใจเราก็ค่อยไปทำต่อทำใจให้สงบแล้วกำลังใจก็จะกลับมาหาเราไปเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปอย่ปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นน พอเราไม่คิดถึงเรื่องต่างๆความรู้สึกไม่มีกําลังใจก็จะหายไปพอเราใจอยู่กับความว่างความเย็นกําลังใจก็จะกลับคืนม า, าทีา่จะแก้กรรมในอดีตได้อย่างไรคะกราบสาธุค่ะอดีตที่เราทํามาแล้วเราแก้ไม่ได้แต่เราจะแก้ป้องกันอดีตป้องกันกรรมในอนาคตได้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการไม่กระทํากรรมในวันนี้ เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกระดาบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะเวลาสวดมนต์ควรออกเสียงดังหรือพูดในใจคะถ้าสวดในใจได้จะดีกว่าจะได้ไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็เป็นการภาวนาไปในตัวยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะอา่าวมาไงสําลองคำถามมาแล้วยังเ อ, เอามา กลาวน้มัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอนิกายค่ะที่เป็นหินนายานกับเถราวาดมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วมีข้อดีข้อเสียหรือว่า อ, าอะไรยังไงคะตกองกระาอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะเออก็ที่มีความแตกต่างกันเพราะการปฏิบัติเรื่องศีลของพระเป็นหลักบางฮะบางพวกเขาคิดว่าบางข้อพระเจ้าบอกว่าให้เลิกได้ไม่ต้องรักษาก็ได้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งว่าข้อไหนท่านก็เลือ ก, กเลือกก็ไปตามความต้องการของท่านส่วนพวกผ้ายพวกหนึ่งเขายังมีความศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนให้ทําอะไรถึงแม้ตอนนี้พระพุทธเจ้าจะไม่อยู่ถ้าเรารักษาได้ในตอนที่ท่านยังอยู่ตอนนี้เราก็จะรักษาต่อไปก็เลยแบ่งเป็นสองพวกพวกที่อยากพวกที่อยากจะลดข้อปฏิบัติให้น้อยลงด้วยการด้วยเหตุจันใดอันหนึ่งก็แล้วแต่ แต่พวกหนึ่งบอกว่าถ้าผู้เจ้าตอนที่ผู้เจ้าอยู่เรารักษาได้ทำไมเวลาที่ผู้เจ้าตายไปแล้วเราทำไม่จะรักษาไม่ได้เขาก็รักษาไปก็เลยต้องแบ่งพวกกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันเท่านั้นเองแต่คําสอนมืออันหลักธรรมคาสอนอันเดียวกันศีล ส, สมาธิปัญญาทานศีลภาวนานี้เหมือนกันแต่ต่างที่ศีลของพระไม่ไม่เหมือนกันบางข้อ แล้วอย่างนี้มรรคผลนิพพานจะถึงเหมือนกันไหมคะถึงถึงเพราะเป็นเินข้อข้อเล็กน้อยไม่ใช่เป็นข้อใหญ่ข้อใหญ่มีเหมือนกันาราชิกสีอังคารที่เศษสิบสามนี่เป็นข้อที่ที่ละเมิดไม่ได้ถ้าละเมิดก็เป็นการตัดสิทธิ์ที่จะไปนิพพานแต่สินข้ออื่นเป็นข้อเล็กน้อยชิบจ้อยก็เลือกได้ข้ออยากจะเลือกก็เลือกได้แต่บางคนเขาอยากจะรักษาไว้เพราะคิดว่ามีประโยชน์กว่า การที่จะเลิกมันเขาก็รักษาันต่อไปค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะ เ, เหมือนโยมจะเคยได้ยินนะคะที่ว่ามีพระพิสุทธ์ไปอะไรคะเกี่ยวสาหร่ายหรืออะไรในน้ําแล้วตายไปอะคะ่ะเหมือนจิตวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพระธรรมวินัยอะคะ่ะ อ, อย่างนี้พืชจะมีวิญญาณไหมคะหรือว่าเป็นที่จิตของพระรูปนั้นคะ่ะพืชเดินปกติไม่น่าจะมีวิญญาณนะ ถ้าไม่มีตาหูจมูกนิ้นกลางก็วิญญาณก็ไปเกาะไม่ได้แล้วทําไมเนี่สงสัยก็ง <c oughs> <c oughs> สงสัยเจ้าค่ะอย่าท้องสัยเรื่องคนอื่นเลยสงสัยเรื่องของเราดีกว่าอ๋อเจ้าค่ะมันเหมือนมีอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ให้พระพิสุต้องมีเหมือนการโยนิโศเวลาที่จะตัดต้นไม้หรือว่าทําอะไรสัก อ, อยาอา่อางเพราะโบราณคนโบราณเขาคิดว่าต้นไม้มีชีวิตมีวิญญาณถ้าไปตัดต้นไม้ก็ถือว่าทํำบาปทาปานาติบา ก็เลยห้ามพระไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้ไปทําให้ใบไม้ร่วงอะไรต่างๆนี้ห้ามเพื่อเอาใจชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเขาสบายใจว่าอ๋อพระที่เรานับถือท่านไม่ได้ทําอนา ป, ปนาณาติบาแต่คามจริงแล้วไม่ไม่บาปหรอกเพราะต้นไม้ไม่มีไม่มีดวงวิญญาณเหมือนร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานทําไปก็ไม่บาปค่ะท่านท่านี้ก่อนเจ้าค่ ะ, อะโอเคอ่ะมีท่านหนึ่งเชิญเข้ามาเลย ครับกับเรียนถามผระอาจารย์ครับมีอยู่ตอนหนึ่งที่นั่งทานข้าวครับแล้วก็มีเห็นถ้วยใบไม้แห้งครับเหมือนตอนแรกมีความคิดขึ้นมาว่าใบไม้แห้งก็คือธาตุน้ามันหายออละเหย อ, ออกไปเหลือแต่ใบไม้ลอยู่ดีอยู่ดีเหมือนจิตมันมีสมาธิแล้วก็คิดขึ้นมาเองว่าเหมือนร่างกายพอเวลาตายมันก็จะธาตุน้ำก็จะออกไปเหลือแค่ธาตุดินครับแล้วก็เหมือนมันกระแทกเข้าไปในจิตข้างในครับ อันนี้แบบมันคืออะไรแล้วต้องทําไงต่อครับก็เป็นการเจริญปัญญาเปรียบเทียบให้เห็นว่าร่างกายนี้ถ้าจริงก็เป็นเหมือนใบไม้ใบหนึ่งเป็นนิทรมาจากดินน้ําลมไฟแล้ววันหนึ่งดินน้ําลมไฟที่มารวมตัวเป็นใบไม้หรือเป็นร่างกายก็จะแยกออกไปอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่ดินน้ําลมไฟไม่มีินไม่มีตัวตนเราไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ ดันั้นเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปกังวนลร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายครับขบคงครับก็ทําทต่อไปเราพอเวลาเจอของจริงก็ต้องทําให้ได้คือเวลาไปเจอโรคมะเร็งหรือเจออะไรเจอใกล้ความตายขึ้นมาก็าต้องทําใจให้เหมือนกับมองร่างกายว่าเป็นเหมือนใบไม้ไปครับถ้าเราไม่ทุกกับใบไม้เราก็ไม่ควรจะทุกกับร่างกายครับขบคงครับ มีไหมยังเจ้า ย, ยังนะโอคุณหมอมีไหมคุณหมอเชิญได้น ะ, ะเดี๋ยวส่งส่งไปไว้คุณหมอหครับภพบภูมิเทวดาอพ่อสามารถทําบุญนอกจากการอนุโมทนาบุญได้ไหมครับในพุทธังดังภ พ, พภูมิเทวดาคุณหมสามารถทําบุญ นอกจากการอนุโมทนาบุญได้ไหมครับไม่น่าจะได้ต้องทําบุญในระดับสูงมากขึ้นไปมากกว่าที่ใช้ใจอย่างเดียว ป, ปฏิบัติธรรมอย่างเช่นเจริญปัญญาอย่างพระเจ้าเวลาแสดงธรรมพวกเทวดามักจะมามาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วสามารถใช้ปัญญานี้แล้วยกระดับจิตให้จากเป็นจากเทวดาให้ขึ้นไปนเป็นครหมเป็นเป็นภระระยะบุคคลได้เพราะการทําบุญทําทานมันต้องมีผู้รับผู้ที่ มีความทุกข์ยากแล้วเดือดร้อนแต่ในบนรถบนสวรรค์ไม่มีใครทุกข์ยากเดือดร้อนทุกคนมีความสุข ม, มีความสบายก็ <aines S 3> คือทาํไ ม, ไม่รู้จะไปทําบุญกับใครทําทานไม่ได้ทําทานไม่ได้ไไดต้องมีต้องมีต้องมีร่างกา ย, ยาต้มีร่างกายแล้วไ ม, ม่มีคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทําบุญทําทานได้ก็แสดงว่าเขาทํากรรมไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อบาก็จะไม่ได้ทําเพราะไม่มีเหตุที่ไปทําให้เขาไปทำบาป เขาก็มีความสุขครับเพราะงั้นพอเขามีแล้วก็นิสัยเขาก็ทำไม่ไม่ชอบทําบาปอยู่แล้วพวกที่ไปเป็นเทวดานี่จะทําบาปน้อยกว่าทําบุญแต่เข า, าไม่มีไม่มีร่างกายก็ทําบาปไม่ได้จ่พ่อ บ, บาปทําไม่ได้ทางกายทางวาจาอาจจะทําได้ทางใจ เ, <อ>เป็นปนันกศุลกาภักดิ์กุศ ล, ลกรรมคิดไปในทางที่ไม่ดีอย่างได้อยู่ครับคิดไปในทาง สักายาทิฏฐิอย่างเงี้ยคิดว่ายังมีตัวเราของเราอยู่งนี้นอกจากว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลล้วก็ละได้อย่างพุทธมารดานี้ตอนนั้นก็เป็นปุตุชนเป็นเทวดาแบบปุตุชนพอพระเจ้าแสดงธรรมให้ละสักกายะทิฏฐิได้ก็เปลี่ยนจากปุตุชนมาเป็นพระพระโสดาบันเงแสดงวัดการละ ศักยารักกะทิฏฐิเนี่ยสามารถทําได้ในในชั้นของเทวดาเหมือนพุทธมารดาดดจําเป็นไว้จะต้องเป็นผู้เจ้าสอนพระองค์เดียวมาัานุพ่อไม่พระอราหารันต์รูหมือนก็สอนได้ถ้าสามารถติดต่อกับเทวดาได้อย่างหลวงปู่ม่านนี่ท่านก็มีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมจากท่านใครที่มีอภิน ญ, ญาที่สามารถติดต่อกายเทวดาได้แล้วมีเป็นพระอราหันต์นี่ก็สามารถแสาาถดงธรรมโปรยโลกเทวดาได้เหมือนพระพุทธเจ้า แต่ปัญญ า, า จ, จะไม่รอบครอบไ ม, ไม่ไม่อาจจะกว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับพระเจ้าขึ้น อ, อยู่กับภูมิภูมิปัญญาของแต่ละท่านอาจจะมีมากน้อยต่างกันคือความประพฤธิ์ความประพฤติเท่าตันแต่ความสามารถในการสอนไม่เท่ากันใช่<ะ>การแสดงทำให้เห็นแจงจ้างนี้อาจจะอยู่ที่ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับความบริสุทธิของจิตใจอยู่ที่ฝีมือเมืหมอผ่าตันเนี้ย หมอผาตทุกคนก็มีฝีมือแต่อาจจะไม่เท่ากันมีความรอบคอบมีความชํานาญไม่เท่ากันก็แสดง ว, ว่าการปฏิบัติถึงแม้ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้เป็นโสดาโสดาปฏิพลในชาตินี้ก็ยังมีโอกาสที่ทําต่อเนื่องได้ได้ถ้าเป็นเทวดาแล้วมีมีฝ่ายทําแล้วพอมีโอกาสได้ได้ติดต่อกับพระหลานาบางลูกที่สามารถที่แสดงธรรมบทเทวดาได้ ก็ไปฟังธรรมแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่เป็นเทวดาแล้วการการที่สิน้นอายุไขด้วยด้วยสมาทิฏฐิเนี่ยโดยยังไม่เป็นพุทธสดาวันนี่ได้ไหมครับหลวงพ่อสิน้นอายาุไขัยด้วยด้วยสัมาทิฏฐิ<ช>คือมีสมาธิฏฐิแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นพุทธสดาวันก็ยังไม่เป็นสมาทิฏฐิที่ ท, ที่ที่เต็มร้อยอถ้าเต็มรอยมันก็ต้องละตัคยะทิฐิได้อืม แต่เห็นวน่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมกระละสักกายะทิฏฐิได้ถ้ายังไม่เต็มร้อยก็แสดงว่ายังอาจจะเป็นแค่จินตามายะปัญญาอยู่เป็นจินตนาการอยู่ยังไม่ได้เจอของจริงคือในวาระสุดท้ายยังไม่ยังสอบไม่ผ่านใช่ไหมฮนะก็ต้องเจอทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วเท<ๆ>วดาที่เป็นสมาธิฏินี่ต้องเป็นพระโสดาบันไหมหลวงพอ โสดามันที่เป็นฮะเทวเทวดาที่เป็นที่มีสมาธิทีเทวทเทวดที่มีสมาธิก็อย่างที่บอกสมาธิแบบมันมีหลายระดับไงระดับปุถุชนกับระดับของพระอริยบุคคลมันต่างกันเริ่มต้นที่ของระดับปุถุชนก่อนก็มีมีความเชื่อเชื่อว่าเป็นความจริงเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ยังไม่ได้พิสูจน์จากการปฏิบัติว่าสามารถปล่อยร่างกายได้จริงหรือไม่ ถ้าปล่อยได้ด้วยด้วยการพิสูจน์ด้วยก็เป็นเป็นเปนสมาธิทิฐิที่ที่แท้จริงที่เป็นทําให้เป็นพระอริยะบุคคลได้แล้วเทวดาที่ไม่มีร่างกายเด็กเขาจะปล่อยอยังไงหลอเขาต้องจินตนาการเอาครับคงอย่างนั้นนะ เ, เขาก็มีกายทิฏฐิเพราะว่า<ฮ>เขาก็ไม่เหมือนกับอยู่ในสภาพอยู่ในสภาพของความฝันครับเวลาเราฝันเราก็ ก, ก็คิดว่าเรายังมีร่างกายอยู่ ถ้าเวลาเราเจอเสือเจองูเราก็ตกใจกลัวได้แต่พอเราพิจารณาว่าความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยให้มันงูกัดตายไปในฝันในฝันมีเช่ผลครับก็เป็นโสดาบันได้จากทางเ c e b o o k เจ้าค่ะลูกขอกราบสอบถามค่ะ เวลานั่งสมาธิมีความฟุ้งลูกเลยท่องพุทโธพุทโธออกเสียงเบาไปเพื่อผูกสติได้ใหม่เจ้าค่ะถ้าจําเป็นก็ได้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกเสียงก็จะดีกว่าเจาค่ะจากคุณธีัทานาค่ะการปฏิบัติธรรมของโยมปัจจุบันถึงเรื่องเจ็บป่วยอยู่กับความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาได้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือเห็นความป่วยเป็นธรรมชาติ ไม่ไปทุกข์กับการเจ็บป่วยรักษาได้ก็รักษารักษาไม่หายก็อยู่กับเขาไปแต่ใจก็ยังมีความสุขเหมือนเขาแยกกันเจ้าค่ะแบบนี้มาถูกทางหมายเจ้าค้าขอพระจามีทัดขันแข็งแรงค่ะคือถ้าเราไม่ทุกข์กับร่างกายก็ไปถูกทางร่างกายเจ็บไข้เด้ป่วยก็รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปพร้อมที่จะอยู่แบบนี้หรือพร้อมที่จะให้มันตายไป เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะทำบุญแล้วเราสามารถอุทิศบุญกุศลให้ชาวโลกทิพย์ได้ไหมเจ้าค่ะก็เราต้องอุทิศให้ชาวโลกทิพย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเราไม่อุทิศเราเราทำทำประโยชน์ให้กับเขาเลยแต่คนที่คนที่ตายไปแล้วเราทําประโยชน์ให้กับเขาไม่ได้เราก็ต้องทําบุญนวส่งบุญไปให้เขาพวกกายทิพย์นี้ก็เป็นพวกที่จะได้รับบุญก็มีพวกเดียวที่เราเรียกว่าพวกเปรดที่จะรับบุญได้ ที่จะมารอรับบุญที่ต้องการบุญพวกเทวดานี่เขามีบุญเยอะแล้วเขาเป็นเศรษฐีบุญเขาก็จะไม่ต้องมารอรับบุญที่เราส่งไปให้เขาเจ้าค่ะจากทาง Facebook เจ้าค่ะพอห่นมาปฏิบททัติธรรมทำให้ผลิตตัวออกจากผู้อื่นแต่บางทีรู้สึกเหงาและความสุขจากการนั่งสมาธิยังไม่ค่อยเกิดรบกวนพระอาจารย์ให้คาแนะนาด้วยค่ะต้องต้องปฏิบัติให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ใจว่างอย่าปล่อยให้ใจปราศจากสติ พอไม่มีสติแล้วมันจะปรุงปรุงแต่งไปในทางการมาฉันทะความอยากมีความสุขจากรูปเสียงกินรดแต่พอไม่มีรูปเสียงกินรดมาให้เราได้เสพมันก็เลยทําให้เราเศราสร้สอยหงอยเหงาขึ้นมางัเราต้องหยุดอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางการมาฉันทะให้ดึงกลับมาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือพิจารณาอสุภะไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้ใจสงบได้แล้วก็หายหเหงาเจ้าคะจาก youtube ค่ะ จะรู้ได้อย่างไรว่าชาติต่อไปเราจะเกิดเป็นคนและพระพุทธศาสนาจนถึงนิพพานค่ะอ๋อการกมาเกิดเป็นคนนี้ ม, มีมีมาอยู่เรื่อยๆช่วงใดที่ใจของเรามีบุญกับบาปเท่ากันช่วงนั้นเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปไม่สามารถดึงไปอบายได้เราก็จะมาอยู่ระดับของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะได้เกิดเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีพ่อแม่ให้เรามาเขาผลิตลูกให้เรามา มาครอบครองหรือเปล่าเพราะยุคนี้สมัยนี้คนมันก็ชอบมีลูกกันมีคุมกำเนิดกันพวกดวงวิญญาณที่จะรอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คงจะรอไปยาวหน่อยหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นว่านอกจากโลกนี้แล้วอาจจะมีโลกอาจจะมีโลกมนุษย์ในโลกอื่นนีๆก็ได้ดวงดาวที่มีอยู่ในจักรวาลนี้อาจจะมีหลายดวงดาวที่มีมนุษย์อยู่เหมือนพวกเราก็ได้งถ้าเขาไม่สามารถมารอคิวที่โลกนี้ได้เขาอาจจะไปรอคิวที่โลกใหม่ก็ได้ แต่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทุกครั้งจนกว่าจะไปถึงนิพพานเราถึงจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยต้องไปถึงขัน้นพระอนาคามีเมื่อเราเป็นถึงพระอนาคามีเราตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้เราก็จะไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปเช้าค่ะจาก youtube สวดมนต์ฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นการสั่งสมบารมีวาสนาหรือไม่ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําค่ะเป็นการเจริญมากเลยมากที่เราต้องเจริญ ใ น, ใ, นในอริยสัจ ส, สีก็คือต้องเจริญมากให้มากเจริญมากให้สมบูรณ์เพราะเมื่อเรามีมากเราก็จะสามารถไปละสมุทัยคือตัณหาความอยากได้เมื่อเราละตัณหาความอยากได้เราก็สามารถทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาได้จากทางเฟซบุ๊กชาวหาสอบถามเห็นตามจริงว่าร่างกายสั่งการไม่ได้ใช้สิ่งใดเห็นกราบขอบพระคุณมากครับร่างกายเป็นลูกจ้าง ไม่เลยเป็นเจ้านายใจเป็นเจ้านายเจ้าลูกจ้างไปสั่งเจ้านายไม่ได้หรอกเป็นแตเจ้านายสั่งลูกจ้างใจเป็นนายกายเป็นบ่าวยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมจะถามได้นะเพราะว่าถ้าไม่ถามเดี๋ยวก็จะเลิกกันละมั่งไงจำลองมีไ้มไม่มีนะมาเก็บไว้คราวหน้านะ